เป็นอะไดรล่ะพวกออกตนญอดง้อมพเท่าภูกแก่เคยเห็นวัดลงพอบ อ, อ่ะนะเคยจะเคยเคยเคยเห็นขังที่แรกมั้งเนาะว่าเห็นเมื่อเห็นขังที่แรกที่ไม่ขังทีสองกนะ็ไดเนอะแ่ว่ามาเถือทีสองก็ไดแต่ว่ามาหอดประตูหัวเลยประตูหัวลงพอปิด44ชั่วโมงเลย บางคนมาเห็นประตูหัววุ้ยพลพอเปิดประตูนะพอมาหอวจนะเขยา่าเขย่าอีกโอ้ยพลปิดพนใส่ลูกก่อนลูกกุญแจแล้วทั้งในเหมือนน่ะที่แท้หลวงพ่อไม่ได้เปิดแนตะ่พลหนะังย้ำขึ้นหนมะดนะคำคำพนหลวงพ่อยังชอยใส่กุญแจย้ำโ ม, มเว้ น, นปิดไว้พอเหตุใดบางที่พกฟ้านนะพกฟ้านพกเก่งนี่นะ่ะพกกระจงหมด น, นะบางที่ก็หมูปลาอันสแลนออกหพวกอีเห็นหมด น, นะเออบางที่กับเตา มันข้านออกไปเพราะนั้ต้องไปปิดไว้เมื่อเนี่ยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฟาดไลยกสออยู่มันจะออกท่าประตูหน้าไปเออฟาดตัวบอกแง่สงสัยจะมีดทองอีต่างหากลงพ อ, อยวันนี้นี่แหละลงพอจะได้ปิดประตูไว้ตลอดบางที่พวกญาติโยมเห็นว่าเออลงพอนี่ยคนบอเปิดประตูรับคนนเอ้ยบันน้ปิดได้วันน้ใช้กุญแจวะ แตกัยืนแขนเข้าบ้านแต่กัเปิดลูกกอดทุกวันเพราะว่าขั้นหาว่าปิดเข้าไปแล้ววัดเนี่ยเาะใส่ลูกกอดมาเนี่มันหาล้มพัดเป็นเบือเบ้องพุ่นเบื้องพียอยู่ได้บ้านเนี่ยเพราะนั้นเขายังใส่ลูกกอดทั้งนั้นไว้แต่ตามาไม่หยุดบอดใส่คุญแจรอกัารพูดได้มาไห้หูจักเลยว่าหลวงพ่อบอดใส่คุญแฉะนี่โมาเว้นนะบอดแต่ว่าใส่ลูกกอดเนอี่ยเป็นยังยังใส่ลูกกอดเพราะว่าเวลาล้มเป่าล้มพัดน่ะ มันจะบว์เวิร์พ่นเวิพีกันสันลมพัดมันเกิดประตูก็เวียงซ้ายเวียงขวายิางสันนะ่ะเพราะนั้นจึงได้ปิดไปเอ า, เอาก่อนที่จะสามารถท่านสินหลวงพ่อจีบอกเรื่องสินอธิบายเรื่องสินให้แกคณะทา่าญาติโนมฟังเพื่อทําความเขาใจแต่บางท่านอาจจะเข้าใจดีแล้วแต่บางท่านอาจจะแต่ยินหลวงพอ่ออธิบายฟังเออเข้าใจดีขึ้นอะ เพราะว่าการฟังเนี่ยมันต้องอาศัยการยินในฟังหลายครั้งอย่างถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าพณบอกว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจจึงนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังเหตุฟังผลจะได้รับความผ่องใสอันนี้สูงแห่งการฟังถ้ำมีอยู่หาย่าง ผู้ฟังธรรมยอมในฟังสิ่งที่ยังบอเคยได้ยินในฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินในฟังแล้วแต่บอกเขาใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังใจของผู้ฟังจะได้รับความพ่องใสนี่หละเพราะนั้นเข้าจะไป็ิดควาเข้าฟังแล้วเธอเดียวจำในบแมนเด ขนาดทองนโมเนี่ยิอทิที่เิโสห้องเอหลงหนาลงหลงหลังพระเจ้ า, าสักเทือขึ้นกันนะเพราะนั้นต้องใส่ทการอย่างงี้ในฟั่งไา้ขั้งมนีหลวงพอ่อจีบวาเลือกศิลปหาที่พวกเขา้าจิตสมาทานนี่พอมาสู่วัดว่าศาสนาและมีศาสนาพิธีเกิดขึ้นนะบวาา่บงบว า, ง า, าว ง, งานบงค้นบว่างานอวะบงค้น ง, งานบงค้นคืออย่างงานมงค้นคือขึ้นบ้านไม่แต่งานนี่าบุญอายุเ่างานบงค้น งานอวบมงคลคือยังคืองานคนตายทำบุญอุทิศตนกุศลในคนตายอันนี้เป็นว่างานอวบมงคลเป็นงานที่บโเพิ่งปัถนะแต่ว่าถึงยางไงเมื่อเข้าไหวพระเสร็จแล้วเขาก็มีการสมาทานศีลบว่างานมงคลบว่างานอวบมงคลทั้งสองอย่างเพราะนั้นเวลาเข้ามาสู่วัดต้าศาสนาอย่างเมื่อนี้ละในมาทำบุญ ท่านนายกกลุ่มเพราะว่าปี้าคพวกเข้ามาเนี่ยพวกเข้าองไ้มารวมกันจัดเป็นมูเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นมูถึงขนาดนี้บ่าแมนจัดง่ายๆเลยพวกอะไรสิจัดขึ้นมาน่ยว่ามันจัดง่ายๆจัดข้นถึงสี่ลอยลดบัตรถึงเจ็ดขั้นนะจะมาร่วมกันเออเอาเมื่อเนีนะ่วันที่30สิสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 5ห้า พวกเข้าไปวัดปานาคำหน่อยเนอเอาผู้ไรสมัครไปแน่ก้อยจิตตุ่มพี่ตุ่มนาะนองตุ่มญาติตุ่มย่อมเออตุ่มป่าตุ่มรุ่ ง, ป, งปูญาตายายพ่อแม่ของตุ่มในไงๆเลยในพนั้นพวกเขานี่มากขนาดนี่ถึงสี่ลอยคนรถบัสเจ็ดขั้นรถติดตามอีกซักหักลงพอเหวเห็นแล้วก็ปลื้มใจเห็นกับพระรัชธาญาติโยมได้พร้อมเพียงเฮี้ยงนากันสนใจในวัดว่าศาสนา สนใจในศิลแลรถร้ำพราะนั้นมาสูวัดว่านศาสนาหลวงพ่อมี่อย่างหลวงพ่อกัดศีบ่าวยังให้ฟังอย่างมืเอเศร้ากัดศีบ่าเรื่องบาปเรื่องบุญให้ฟังตายแล้วบ่ศูนตายแล้วเกิอดอีกเน้อเนี่ยอย่างย่มที่วานโกเลี้ยงนะ่ะตายแล้วบ่ศูนพลันั้นพวกเข้ า, าที่มาเมื่อเนี่กันะมาเผื่อสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อก็เอ อ, อ, อเอาพวกเขามาหลายคนควรจะไหวพระแล้วก็ สามารถท่านศิลป์หาเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นโมฆ่นสําหรับพวกเข้าพอมาสู่วัดว่าศาสนาเมื่อกี้เนี่ยพวกเข้าทั้งหลายสายัทญาตนโยมทั้งหลายก็ได้ไหวพระนะไหวพระจบแล้วก็อาราธนาศิล์อาราธนาศิลป์เพียงอาราธนาศิลป์ทางคำว่าเ้าเพระใดสังเกตเข้ากับว่าเป็นอย่างพรผู้เถ่อผ้าเวผู้เถ่าผ้าวผ้าว่าเข้ากับว่าตาม แต่ว่าขั้นผูสังเกตนะเอ๊ะเป็นอย่างขอสม่าท่านศินหาเนี่ยเป็นอย่างยังมีสองมาตรฐานะเออมาอย่างพันเตติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะมหาบางบอกว่ามาย่างพันเตวีชงวิสุงรักนัทายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะข้าหน้าสินขอศินเชื่อสินหาแต่แท้คนโบราณเขาก็ยังมีสองมาตรฐานไง เป็นอย่างเขาจึงมีจเจ้าเขาจึงออกจังสีเขาเป็นอยังเขาบาเบาขึ้นกันผู้ขาขอสินหาเด้อนี่กันนา จ, จะขอสินหาอันนี้ยังเบาเบาคนละแนออกวกันอีกเพราะเหตุใดเอันนี้าวพูสังเกตนะกะจิมีคำถามในใจกันผู้บอสังเกตก็บอต้องว่ากันละ่ะเขาว่าไปได้เท่ากับว่าตามเบาแล้วก็แล้วไปวันไปเนีเพราะเขาผ้าเบ า, านเนี่ยจักแมนเบาจังกระโบงจักอีกมายังพันเตวิสูงวิสูงมาย่งพันเตติสันเนรสจหะ ความหมาย จ, ากจักรวาลเป็นภาษาบาลีภาษาคลังอีกต่างหากหก็เรียกพวกหุ่นักก่อนบารีลงพ่อศรีบอ่อไห้ฟั่งบานี้พอลงพ่อได้ศึกษาได้ซัท่าหยัดงบก็คือ ส, สงสัยที่กันมั่งลงพ่อวานะลงพ่อไปใส่ลงพออ่อข่าวบาให้ฟัง่งสําหรับผู้เฒ่าแก่ผู้สูงอายุคําว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติจารณะนัจหปัญจะศีลานิยาจามะนี่พวก พวกขาทั้งหลายพวกขาไปเจ้าทั้งหลายขอสมาท่านศินหาขอเป็นขอขอบประคุณท่านขอพระคุณท่านจงเมตตาให้ศินสมาท่านสินหาแก่พวกาา ข, ข, ข, ข, ขาไปเจ้าเครือเป็นขอขอบก็อยังข้าไปเจ้ารักษาสินหาปานาอธินากาเมมุสาสุราฮาคออะไรไปพราะฮาคอเนี่ถ้าว่าเข้าไปกินเหล้าสักว่ารับสินเราไปกินเหล้าก็ยังเหลืออยู่ซีขออะไรเออ บาดฮาไปกี่ตัวเขาเขายังเหลืออยู่สามคนไปบาดฮาเข้าไปขาสัตชยังเหลืออยู่สองคนไปก็เป็นขอขอลงไปไม่เสียไปแค่เราขอลราขอลราขอล ง, องไปวิสูงวิสูงนี่นะแต่ว่าขันมะยังพันเตติชรเนนจหปัญจศีลานิยาจามะผู้ขาขอสมาท่านศินร่วมทั้งหาขอพร้อมกันเรือคุณท่านบาดในให้คาขอพ่อเขาตั้งสัจจะอธิษฐานนักหาขอเด้ ขันว่าห้าไปขาดซัดซะไปลว่าหาคอขาดทาการมัดไปเออขาดทากันไปมัดขั้นเจียห่อรักไปกินเหล้าซะสิกระสินขอหารกระขาดนําการมัดค่อคยๆว่าเออปัญจะศีล่าผู้ขาจะรักษาศีลหาพ่อมกันทั้งหาคอนี่แหละคนโบราณเขาเลยเ อ, อ ย, านนยา่านโหนกย่านลานต่อไปไา่ภาคนาก็เลยเฮ็ดเป็นขอขอไว้ไป แตหลวงพ่อเนี่ยขันให้หลวงพ่อรักษาเนี่ยหลวงพ่อจะรักษาสินมาย่งพันเตติสลเนธสหปัญจศีล่าในญาต จ, จ่ามะเนี่ยเพราะเหตุใดพอว่ากันมันลวยกันลุยเธอเดียวหลวดลงไปยัเพ็ดคอรอกี่แล้วนะไปเออการเฮ็ดคอรอกี่แล้วรึกษาที่เราขอแล้วขอนมันบ่ลุ้ยเือเดียวได้เป็นบ่ลักเออท่านที่ลุยกันลุย้ยเือเดียวหลวดหลวงพ่อวันเอาปัญจศีล่ารักษาได้ก็ได้ต้องรักษาให้ได้นะวะนี่แหละอันที่คือ ความหมายในการอาราธนาศินให้พวกเข้าท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเดีฟังไว้เนอะการรักษาสินหานี่พวกเขาก็คงจะบ่เคยได้ยินได้ครูบาอาจารย์เบอกจึงเสียให้ฟังนะแต่หลวงพ่อนี่ยหลวงพ่อเคยสงสัยอย่างหลวงพ่อก็มาบอกให้ญาติโยมฟัง เ, เพราะว่าความสงสัยในใจเนี่มันแข็งใจเลยมันบันสนิษใจเพราะฉนั้นมาบอกให้ญาติโยมฟังไงนี่แหะมายังพันเตวิสูงวิสูงก็มาย่างพันเตติชลเน้นสหะนี่ยคือความหมาย จังซี่วันบาฮาแนบบาทนี่พ่ออรัตนสินแห ล, ละหลวงพ่อสรีวานามโมได้บ้านเนี่ยหลวงพ่อก็จะตั้งนะโมะตัสสะปะคะวะโตเนี่ยพอวาสามจบคนไปเอา้าเป็นอย่างยังวานามโมเพราะวานาโมเนี่ ย, าายแปลว่าจังไหนน า, นาโมาว่นะโมตัสสะปะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เธอหนบนอบพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยังนอบนอบพอเข้าจะรับสินหาเป็นอยังเข้ายกนอบนอบพระพุทธเจ้าพอว่าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นตนตาศาสดาเป็นตนพระพุทธศาสนาเป็นต้นความคิดเรื่องสินหาเนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดขึ้นมาแล้วก็ให้พุทธบริษัทสี่อย่างพวกเข้าท่านทั้งหลายเนี่ปฏิบัติตามแล้วพวกเข้าได้ยินสินหาของพระพุทธเจ้าเออสินหาของพระพุทธเจ้าเนี่เข้าศึกษาเข้าฟังเบื้องแล้ว มีคุณค่ามีประโยชน์เออบรรด้เห่าก่นเนี่แหละย่อมรับเอ่อย่อมรับสินหาของพระพุทธเจ้าเพราะนักกรเห่าสิรับสินหาเนี่ยเหาหนอบนอบก่อนไปเอ่อคือคนโบล่าเนี่เขาบ่กให้ดูถูกเกียดตยามนะบอกให้ดูถูกเกียดตยามปูกยาตาย่ายเอ่อพอปูกยาตาย่ายเพิ่นเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดเงินเฮ็ดข่มให้เห่าเฮ็ดเงอนเฮ็ดซ่านให้เห่าพรดอกให้เห่าเออบ้านอะไรเหา่ายังไปกาบไปไหว คุณพอ่อคุณแม่ปูยาตายง่ายนะคือคนโบวราั่นเปินบให้บวให้ลื่อมบุญลื่มคุณผู้มีอุปการะคุณอันนี้คือการก่นอนเข้าจะรับสินหาเนี่เข้าต้องนอบนอบพระพุทธเจ้าเสีก่อนคือนอบนอบต้นาศาสนาตนพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเข้าจะรักษาสินหาเข้าจังหวัดนโมตัสสะพระขาววัตัวเบาถึงสมเถื่ออีต่างหากเราไปขันเบาถึงหนึงกยจา ม, มันผิดเบาอีกทค่สองเราไป นอบน้อมถึงสามเถื่อชัดเจนวันไปว่า น, นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าจากนะครับพุทธังสรารนางคัตฉามิยดพระพุทธเจ้าเป็นชรณะเป็นทีพ่พึงอีกกวัดพระพุทธเจ้าเป็นผู้รูดีรูดชอบโดยพระ อ, องค์เองประกาศพระถ้ำค่ำสอนออกมา8นสี่พันพระถ้ำอ่ขันคือพระพุทธเจ้าเมื่อข้าพเจ้าฟังถ้ำค่ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเออลึกซึ้ง เ, ออเป็นถ้ำอิลี หาทีตำหน้บ่ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ข้าพระเจ้าจึงยึดพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเอออันนี้กัพุทธังสารนางคัดฉามิแล้วก็ทำมังสารนางคัดฉามิคือยึดพระธรำขั้มสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอีกเอ่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศมาคือสินหาหรือคือพระธรำขั้สอนเออแล้วก็พระไตรปิฎกก็คือพระธ้ำขั้สอน พระถ้ำมื่นสีพันพระธ้ำมขันของพระพุทธเจ้าก็คือพระถ้ำข้ามสอนอันนั้นไปว่าทำมังสรนางคัดฉาบิพอที่สาอีกสังขังสรนางคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่นับถือพระสงฆ์สาวกขึ้นยังก็คือพระนี่แหละคันธวามีแต่พระพุทธเจ้าก็พระถรมนะบอกมีพระสงฆ์ น้ำถ้ำค่ำสอนออกมาประกาศมาเผยแผ่มาบอกเก่าให้พวกเข้าพวกเข้าสิงหูจัดบล็อคพระถรมเรียกว่าคลองดีบอดีขันบอมีพระสงฆ์มาบอกกล่าวยังหลวงพ่อมาบอกให้พวกเข้าฟังนี่ยแพวกเข้าสิงหูจักบอกว่าพระพุทธเจ้าพระถรมพระพพสงฆ์พระพุทธเจ้าพระถรมพระสงฆ์นี่มีคุณค่าพิประโยชน์จังไรพวกเข้าก็บอกว่าเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เป็นผู้น้ำพระถรมค่ำสอนออกปมาบอกเก่าให้แก่พวกเข้าพวกเขาก็เออพระสงฆ์เป็นผู้มีบุญคุณ ต่อผัวเข้าทั้งหลายจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธทางทำมังสังขังสระนาขจฉามิดุติยามปีพุทธทางทำมังสังขังตติยามปีพุทธทางทำมังสังขังสระนาัจฉ า, ามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกาวถึงสามเถื่อนนะดุติตาติจากนั้นเถอะหลวงพ่อจะเป็นผู้พาน้ำได้บ้า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิเอี่ยสินขอที่หนึ่งขาพระเจ้าจะงดเว้นในการขาเอกันขากันเพราะพรุทธเจ้าบอกว่าการขากันบ่เม็นแนวดีเนาอทําให้ปวดเดือดร้อนถ้าเฮ้าไปข่าเขาข่าพ่อข่าแม่ข่าลูกข่าเมียเขาเอี่ข่าลูกข่าล้านเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาข่าเฮ้าเนี่ยข่าพ่อแม่พี่น้องปุยญาติญายของเฮ้า เ้าดีใจบ่บ่แล้วเขาก็เสียใจคือกันนะนะขันเข้าเสียใจเข้าจะไปข่าผู้อื่นเขาเน้อขันข่าผู้อื่นเขาก็เสียใจท่านเขามาข่าเข้าเขาก็เสียใจคือกันให้เข้ารบเซิตซึ่งกันและกันให้มีเมตตาโตกันพระพุทธเจ้าสอนในบาทนี่เอาหัวใจเขามาใส่ใจเข้าน้อเอาใจเข้าไปใส่ใจเขาขันเข้าทํากับเขาเขาก็เสียใจเขาเขามาทํำกับเข้าเขาก็เสียใจคือกันนี่แหละ อย่าไปข่ากันเนะ้ออันนี้คือสีนขอที่หนึ่งขันพวกทูตเจ้าทั้งหลายขากันมียังไปใส่มิแตพกปืนพกมีดจะหากันทูตเจ้าคิดบ้รู้จะมีความสุขบ่ไปใสมีแต่งแต่พกผ้าอาวุธทีดำสีหันกันไปยุใสก็หาความสงบสุขบ่อะไรมีแตหวัดระแวกหวาดผ ว, ว, ว า, วาต่อกันไปที่มาไม่ใดก็บูฮงจักเนี่ยจะหาความสุขบนะ่อะไรเน้อขันโลกยุคใดสมัยใดเป็นสันจะหาความสุขบ่อะไรระพุทธเจ้าเป็นสอนได้ จากนั้นก็อทินนาธานาเวรปณีอยาไปขโมยกันเนอะพวกเจ้าตั้งหลายไปขโมยกันบ่ดีเออเพราะเหตุใดเพราะว่าเข้าไปขโมยเขาขโมยพอแมพี่นองปูญตาใหญ่ว่องสาขาหญาติของเขาขโมยรถขโมยเลือกของเขาขโมยสิ่งของของเขาขโมยทรัพย์สมบัติของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเข้าไปขโมยเขาเขามาขโมยของเขาล่ะ ขโมยพอเมพี่นองลูกหลานของหอาไปเรียกคาไทยเขา้าอันที่คืดว่าจากไหนเขามีความสุขว่เมื่อเขามาขโมยเขา้าบ่อแล้วมีความทุกขนะ์นั่นแหละขันว่าเข้าไปขโมยเขาเขาก็ทุกข์ขึ้นกันนั่นแหละเขามาขโมยเขา้าเข้าก็ทุกข์ขึอกันพะนั้นให้เขารบซิดซึ่งกันละกันเนะ้ออย่ากขโมยกันนั่นแหละสินคอที่สองคอที่สมกาเมสุมิชยาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของไผเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขา ถ้าเข้าไปล่วงล้ำเขาเอาไปคมขืนนำใจกองเขาไปปูยี่ปูย่ำลูกลานสามีภรรยาลูกลานคล้องไผ่ไผ่ก็เสียใจถ้าเขามากทำให้กับเข่าละ่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพซึ่งกันและกันเนะ้อให้เคารพสิทธิกันเนะ้อการชูขอการตามประเภทนี่อันนั้นคือโลกมันเป็นไปได้อให้เคารพสิทธิ์ให้กันให้ยุตามทํานองคล้องทำเนะ้ออันนี้พระพุทธเจ้าเป็นสอน เออเอาใจเขามาใส่ใจห้าวขึ้นเรานะ่ะเอาใส่ห้าวไปใส่ใจเขาคนไปอันนี้คือสีขคอที่สามคอที่สี่มุสาว่าท่าเวลามานี่ยาไปกี่ตัวเขานะ่ะอย่าไปต้มตุนหลอกล่วงผู้อื่นเขาเนะ่ะข้าน้าไปต้มตุนหลอกล่วงเขาโกหกเ ข, า ก, เข า, เ า, ากี่ตัวเขาเออเขามากี่ตัวห้าล่ะต้มตุนหลอกล่วงห้าล่ะเออบางที่เอากี่กวัวถึงย่อมเอาสีท่องย่อมมะหรือมาขายว่าเป็นท่องข่ำ เข้าใจเงินไปรุงสูงอะเออบาทเท่าไรบาทได้สองหมื่กว่าบาทมาฮันแล้วมาเบิงร์นมันขี่กลัวสิเออเขามาต้มเข้าเขาไปต้มเขาล่ะเป็นยังไงเข้าขี่ตัวเขาเขามากี่ตัวเข้าล่ะเป็นยังไงเนี่ยมันขี่ตัวมันมีหลายชั้นเชิงนี่มีหลายระดับกันย่างเนี่ยเนีพราะนั่นการขี่ตัวกันก็บ่ดีเนอะเอาหัวใจเขามาใส่ใจเข้าเอาใจเข้าไปใส่ใจเขาเน่ะอันนี้ก็คือกันคือศีลข้อที่สีข้อที่หาสุราเมระยะมัชชะปามา การดื่มและการกินเหลาเป็นที่ต่างแห่งความประมาทพระพระุทธเจ้าพูดสอนไว้พอก้นดื่มเหลาแล้วกินเหลวเลยคู่มือเนี่มันบวกเข้าไปพวกยาเสพติดทั้งหลายเมื่อกินเข้าไปเมื่อเสพเข้าไปแล้วทําให้สมองของเท้าขาดจิตเตะเมื่อขาดจิตเแลจะท่าความชวนทุกอย่างคนกินเหลาคนกินยาบ้ายาม마คัญชายาฟินเฮ้รอินน่ยพ่อเม้าคืนมาแล้วอารมณ์พิษปกติคาไพก็ไดขมโม้ยไพรก็ได เออลาลาบละหลวงสามีภรรยาลูกร้านไพก็ะดัยขี้ตัวอภัยก็ไดัยพราะเห้ไใดเพราะกลนขาดสติเพราะนั้นเหล่ากระบอแมนของดีคือกันเพราะนั้นพวกเข่าซัท่ายติโน้มทั้งหลายพิจารณาบงนุกถําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ลงพอบวให้ฟังเลยเป็นอย่างไดมีประโยชน์มีคุณค่าบวแล้วจะให้พวกไพรเป็นผู้รักษาบ้านเลเออให้พระท่านน่ะให้ลูกพ่ออินท่นน่ะรักษาศีลเลย พวกข้าบ่มมีศีลให้จะได้บวชพวกข้าบ่มมีศีลเนราแว่งแค่งใจกับบนไปจักนิม่าไม่ได้จะข่าไปข่านว่าพวกข้าทั้งวัดที่มีศีลบวชเป็นผู้มีศีลปีธรรมไปใสกับมไว้อกไว้ใจกันได้เออตายใจกันได้เพราะไปทำกันเคื่อสีบวชขากันมั่งเคื่องสีบวชขโมยกันมั่งเออสีข้ารลบศีลสามีภรรยา ล, ลูกหลานอของกันอยู่ละมั่งบวชกีตัวกันละมั่ง ขันธวาเข้ามีสินหาเข้ า, า, ากระตายใจใดเมรุบละคันธวาเข้าบ่มีสินหาเนี่ยัน้นบ่มีศินนี่มันเราแวงแค้งใจกันนี่บวชนิดใจเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้วพวกเข้าทั้งหลายสำนึกไว้ให้ดีสำเนียกไว้ให้ดีคิดไตรตรองไว้ให้ดีเป็นนาทีของพวกเข้าทั้งหลายจะต้องรักษาสินหากั้นผู้ไรบ่รักษากระตายผู้ค่าเนี่ยฮู้แล้วว่าสินหาของพระพุทธเจ้ามีคุ้นข่ามีประโยชน์อีหลี พิจารณาการของไตรตรองหน่อยเชียงจิ้มมือกายหนาผากขึ้นนั่งยืนเดินนั่งน อ, นอั่อคันนี้สติคิดแล้วตั้งแต่สินขอที่หนึ่งที่ยื่นจากหลวงพ่ออินบอกให้ฟังน่เลอตั้งแต่สินขอที่หจนคลอดขอที่หานี่ยแม่นอีีเพราะนั้นผู้ใดจะรักษาสินก็นเถอะผู้ขาดจะรักษาสินหาตั้งแต่มื่อนี่เป็นต้นไปรักษาสินหาตลอดชีวิตตั้งแต่มื่อนี่เป็นต้นไปนี่แหละ ว่าพวกเขามีสินหาประจํากายว่าจาอากายว่าจ่าของเข้าแล้วพระพุทธเจ้าเพิินทําน้าไปเลยเด้ผู้ใดมีสินหาประจํากายว่าจา่าผู้นั้นบ่ชตกหน้าหลกตายไปแล้วบวชตกหนาก้าหลอพระยมยมสิบบุตรทงทหารมากเคาะแขงเคาะขาอย่างที่หลวงพอให้ฟั่งเหมือนเสารเนี่ยหมไปอายางไปสู่สวรรค์พ่อไปหอดประตูลแล้วก็เดินไปสู่สวรรค์ได้เลยเอไปสู่สวรรค์ บอตกนากเพราเกิดเป็นสัตว์ติฏฐิชันผู้ที่มีสินหาเพราะนั้นสินหาบ่เป็นธรรมดาเลยสินหานปิดอบา ย, ยพุ่ิมีแต่ไปสู่สวรรค์เมื่อเพ้นหายสินหาพ้นยังบอกไวไ้เลยสีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะสินสีเลนะโภก็สัมปทาผู้จะมีพระคสมบัติได้แต่เพราะศินสีเลนะนิพุติงยันติ จะไปสู้ในผ่านได้เพราะศีลเพราะนั้นพอไอ้พวกเข้ารู้แหละบัญศีลเนื้อหาของพระพุทธเจ้านะี่มีคุณค่ามีประโยชน์จังไงอย่างที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังนะมาตอนนี้ไปรับศีลเนะนี่ยมาเนื้อเมื่อมีโอกาสพวกเขาก็จะฟังผมเมื่อนี่มีโอกาสเลยเนดะ๊มาสู้วัดว่าศาสนาแล้วหลวงพ่อก็จอธิบายให้ฟังหยืดเงี้ยนะแต่กคณะว่าเข้าไปบอกมองอื่นเน่ยเพิ่นผมมีเวลาเบาเพิ่นก่า พอ่อราธนสินแหละเป็นกับไฮสีนลดแต่เมื่อนี่เห็นว่ามีเวลาหลวงพอ่ออธิบายให้สินให้แกปวกเข้าท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินเนื้อวันเนเอร์นะโมตสระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้าวต่อไปตั้งใจฟังนะหลวงพอ่อจะบอกยังให้ฟังอีกทักรอบหนึ่งหน่อยๆ เมือ่อในหลวงพ่อเห็นคณะสัาาตยาธิญโญมอำเภอกลุ่มพรว่าปีมีทันร่องและคุณน่ายและคณะกรรมการบริหารเทศบาลอำเภอกลุ่มพระว่าปีมาตั้งสีลอยข้นรถบาตรเกตขั้นหลวงพ่อเห็นแล้วกับปริมปีติยินดีกับพวกเข้าสัตย า, าติญโญมทั้งหลายโดยเฉพาะยังหญิงผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุทั้งหลาย กวนจะเขาสูวัดว่าศาสนาในหลวงพ่อวานะ เ, ออเมื่อมีโอกาสกับไหว้พระเขาไปไหว้พระรับสิ น, นกันั่งพ่วนาปฏิบัติเพราะว่าพวกเฮ้าสมัยก่อนเป็นหนุม่มเป็นสาวพวกเขากับหนุงยากกับการทําการทำงานหนุงยากกับการเลี้ยงขอบเลี้ยงขั้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าของเฮ้าแต่บานี้พวกเข้าเป็นอิจระแล้วสิจูแบบ บอคิดบออ่านอียงเลยอันนั้นคัน่านาจะถูกเด้เพราะเหตุไรเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่คู่บาจานพันวาคนเท่าตายแล้วหมสูตรเนอตายแล้วเกิดอีกเกิดอีกแน่นอนพอเป็นอย่างอื่นหลวงพ่อเอาอย่างมาพิสูจน์เอาอยังมาเว่าพอะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเด้พระพุทธเจ้าคนหนีไปบวชไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปบําเพ็ญอยู่ในป่า ในขั้งพระพุทธเจ้าพอบำเพ็ญหกปีล่องถูกล่องพิษลงพิลงถูกจนได้ตัตสรูเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธียาณได้ตัตสรูเป็นพระพุทธเจา้าในเมื่อตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าแหละพระพุทธองค์บอกว่าคือที่เข้าได้ตัตสรูนะั้วันเดือนหกเพ็ญนนัะ้เข้านางภระวนาเลยพระพุทธเจ้าพระวนานางขาขวาทับขาซ้ายอย่างพรนะ พ, าาพุทธรลกนะั้เมืองโพธิลบก็ได้นะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเป็นพวนาเลยนี่คือพวนาเลยหายใจเข้าหายใจออกจากนั่นใจของพระองค์พระทัยของพระองค์ความรู้สึกของพระองค์จิตใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจนิ่งบวคิดไปในอดีตบวชจิตใจบวคิดไปในอนาคตจิตใจนิ่ง พ่อคิดใจนิ่งแล้วพ่อคิดใจร่วมแล้วเกิดญ า, าณอาทัศนะเกิดชาติระลึกชาติทูลหลังโอกเพย์เนวาสานุสติญาณระลึกชาติทูลหลังใด mm. เออหมื่ว่านเข้ามาจะใส่เอ อ, อยังปวกออกผลญาติโยมมาจากกลุ่มพระว่าเมื่อหนีเขามาจะใส่มาจากกลุ่มพระว่าแล้วหมู่ว่านเขาไปใส่มือกอนเขาไปใส่อธิตกรเขาไปใส่เดือนกอนเขาไปใส่ปีกรเขาไปใส ไล่ไปเรื่อยๆไปจนขามพบขามชาดไปเนี้พราะพ่อใ่เจ้าโอ้ตายแล้วบอศูนย์เลยเนี่มันมีพบมีชาตดมานนี้ยกระบอกเป็นเบื่ออื้นเอ็กบ้านเองขั้นออกจากนี่สิไปใสใบ้านเ่งเมื่ออื่นจะเป็นยังไพบบงพ่นก็เบื้องอีกพ่นก็บหูอีกเอเอเมื่อท่านหูเมื่หูเนี่ยเมื่ออื่นมันมีอยู่มือเฮาก็มีต่อไปพพ่ภาคนาเอออันนี้ก็คืออ น, นาคตาจ้าว่าปุเพเนวาสานสติญาและลึกชาติคนหลังใดพอถึงเทียงคลืนมากอีก เบิงอีก บ, ими, บ่ไหนเบิงคนอกีกบ่ไหนเออเบิงเจ้าของที่แรกตอนหัวคำเลยเบิงเจ้าของพอถึงเทียงขึ้นเบิงผู้เอ em, ิญบ่ไบนเนี่ยเบิงผ so ู้เอิญกับเบิงเออผู้นี้เกิดมามาจากสมาเกิดนี่แล้วเป็นอย่างคนเกิดมาจึงบกคลื่อกันเออผู้หนึ่งเป็นอย่างยังรุ้ยผู้หนึ่งเป็นอย่างยังจนผู้นึงยังเป็นยังขี่ไล่ผู้นึงเป็นอย่างยังงาม พูดถึงเกิดมาแล้วพิก่งพิการพูดนึงเกิดมาแล้วสมบูรณ์พูดถึงเกิดมาแล้วโง่พูดถึงเกิดมาแล้วฉลาดเกิดมาบกคือกันทั้ง <House> ท <aría> <broken quote> ี่เกิดมาในทองแม่ก็บกคือกันอีกเป็นอย่างเพราะพุทธเจ้าเป็นกระเบงเออกำจะเป็นวะกำคือการกระทาในอดีตคนทํากรรมบกคือกันพ่อให้มาเกิดจึงบกคือกัน มันแตกต่างกันกรรมเป็นผู้จำแนกกันี่ว่ากรรมโมเดนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ทวารเข้าถ้ำกรรมดีเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนดีเป็นคนรวยทวารเข้าถํากรรมบุตรในอดีตชาติกขาไปเข้าไปขากูขาก้นขาสัตส์ตัดชีวิตขายัางเกิดมาพบในชาตินี้อายุขั้นคันว่าเข้าเกิดมาชาติแล้วเข้ากี่ข่ า, ขขานทำบุญทําท่าน เห็นเขาทำบุญท่านโอ๊ยยังมันโง่เนาะเอาทรัพย์สมบัติไปให้ผู้อื่นเขาออดูถูกเขาอีกเกิดมาพบนายชาตินาจข้องก็จนนพราะอ้ไรเพราะอเนกสงท่านบ่มีพระโพธิเจ้าพันตัดไปจังสันเนี่ยขั้นว่าผู้ใดยินดีในการทำบุญทำท่านเกิดมาพบหนายชาตินาจะเป็นผู้รวยขั้นว่าผู้ใดเอเกิดชาติที่แล้วเนี่ยเขาไปหาบัณฑิตนักปราชญ์สนใจเรื่องธรรมะ ศึกษาขดขวัาธรรมะหรือตัางอกต่างใจประพฤติปฏิบัติเกิดพบนายชาติหน็จะเป็นผูมีปัญญาเอคำนวบผู้ใ ด, ดชอบทา้งสวยงามบริจับเสือพาอาพ่อน เ, ออเพื่อเป็นท่านเกิดมาพบนายชาติหน า, หนาตาเสดสวย ง, งามคำนวบผู้ใ ด, ดเกิดมาพบนชาตินี้บอกเป็นคนขี่โกดคำว่าบลข้บบ น, นเป็นคนใจดีมีเหตุมีผลไม่บอเป็นจิตใจดีตลอดไปคำว่แมน อกะว่าเวลาโกรธก็ต้องโกรธเหตุเพถือเท่าก็ต้องบอกต้องบากกาว่าเขาแสดงความไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นคนใจดีมิเหตุผลเกิดมาพบนายชาตินาหน้าตาเซ็ตสวยงดงามคนนั้นการาผูใ้ใดเกิดมากมิแต่ขี่โกรธขี่ขี่เล็วขี่โกรธเยอะตลอดเวลาเวลานาบูดนาเบี้ยวเยอะตลอดเกิดมาพบนายชาตินาก็คือกันครับนายยากวัดจิมวัดยังไะ พวกเข้าไปเห็นว่านายักษ์ปรสิบธิผมโหสถด้ไปสังเกตคุนะกผมดใส่คว้มขี่โกดได้หลายเลยยัเวลาตายไปแล้วไปเกิดเป็นยังเป็นนายักษ์นาบูดนาเมียวนาเบียวไปวเออเผยเจมูกยังเป็นง่วงออกมาคือสร้างอีกตั้งหากคนไปนี่แหละอันนี้คล้ายๆว่าคนขี่โกดในชาติที่แล้วเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนบอสวยงดงาม อันนี้คือทําคําสอนของพระพุทธเจ้าพณ์บอกไว้แหละจุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายบกคือกันกรรมคือการกระทําพราะนั้นพระยังบอกว่ากรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีวกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทําไปแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังกรรมชั่วให้ผลตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ทําแต่กรรมดีเน้อให้สั่งแต่บุญสั่งแต่กุศลเน้อให้คิดดีทําดีพูดดีจะมีความสุขตลอดไป พนันขอให้พวกเข้าจัท่าหยาดย่อมทุกขทุกคนนะเนอะแต่มาสู่วัดว่าศาสนาให้เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีสร้างปุญสั่งกุศลเอาไว้ตายแล้วบ่อสูญนะี่ยย่ำอีกมาตายแล้วบ่อสูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงพ่อแม่คู่บ่ายจันหลงปูหลงตาของเขานะหลงปูหมันของเขานะหลงตามหาบัวของเขาหรือพ่อแม่คู่บ่ายจันของเขานเป็นไปทางพาวนาในป่าหลงพงไผ่ยิตใจเป็นสงบเพลินร่วงเป็นว่าโอ้ รนะนะ่างกายนี่คือการขับรถแต่จิตใจของเฮ้านี่คือการขับข้นขับรถเอ่อร่างกายนี่มัดอายุเนะี่ยคือกันรถหลมันมดอายุมันเถ่ามันแก่นะเนี่ยไอหย่ามันก็เสียหายมัดมันผุมันพังเฮ็ดจะไหนกับไปยู่ไปถิ่มไว้ในพองหยาเท่านั้นแหละเจ้าของก็ออกจากรถไปหาชื่อรถขั้นไม่เน่คันว่าเฮ้ามีเงินคันเฮ้าผมมีเงินไปหาชื่อผู้ใดแล้วผมมีเงินได้แม่นบอลละเออ ไปร่าใดรถคั้นใหมากกับว่ได้ท้าบุญว่าใดถ้ำท่านมีแต่เที่ยวตลอนตลอนไปหันไปนีอยู่ตลอดนะพ่อตายไปแล้วก็บมัดบ่มีบุญบ่มีบุญติดจิตติดใจไปบันออกจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรชาญนี่แหละเป็นหมูหมากาไก่เป็นใดทั้งมัดเพิ่งว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งวายทั้งสั่นเด้เพราะนั้นขอให้พวกเข้าท่านทั้งหลายนะให้เบิงเ้งจบของนะเนี่ยบอกว่าห้าวไวโอ้ยภูเขาบ่มีเนาท่านให้จันในลงพอดวาพะะระก็ได้นะ 阿拉หังสวาคาโตสุปฏิปโนย่าได้ขาดแต่ละมือไงวาพระสดวันคอนรับพอนอนอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกูศลจากนั่นกัรักษาศีลภูขาทุกวันพระข้าพระเจ้าจะรักษาศีลฮาอย่างที่หลวงพ่ออธิบายฟังข้าพระเจ้าจะบอกขาซัดแตงแต่หุ่งแต่หินเกินไปข้าพระเจ้าจะบอกขโมยของผู้อื่นข้าพระเจ้าจะเข้ารบชิดสามีภรรยาลูกหลานผู้อื่นข้าพระเจ้าจะบอกขี่ตัวข้าพระเจ้าจะบอกกินเหล่า อันนี้เพียงศีลฐาน ร, รักษาศีลฐานี่ยโอ้เป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วจากนั้นก็ให้ภาวนาบ้านเนี่ยภาวนาคือยังพระประธานเนี่ยกรรับก่อนรอนนางภาวนาหาหน้าที่สิบนึ่งเียก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยิดใจสงบ น, ะนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เลยป่านนี้พนันกา ร, การสร้างสร้างบุญสร้างกุศลบ่แม่นแต่ใจท่านอย่างเดียวเด้รักษาศีลกับแมนไว้ยพระสวดมนต์กับแมน เลือกไปหาพ่อหาแม่ยกของกับแม่ไปหาพ่อหาแม่ก็เออพ่อแม่เพียงไรเออซักเสื้อซักผ้าให้พ่อคอยแม่หาของอาหารให้พ่อให้แม่กินผ้าพ่อแม่ไปหาหมอทาร์หมอดูแลผลิวัติพ่อแม่อันนี้พ่อแม่เป็นพระรหัสของบุตรธิดาเลยฮะเพราะนั้นขอให้พวกเข้าทัศน์ญาติโยมเนาะให้คลรบคุณพ่อคุณแม่เป็นบุญเป็นกุศลเลยขันว่าเข้าเฮ็ดพอถือกับพ่อกับแม่บอใดเลยหลวงพ่อยังบอเป็น มา้าแนวปะไตปีดกมีพภาพผู้หนึ่งมีลูกเก่าก้นลูกชายล้วนมันต่อมาลูกชายกําลังจะเป็นนุมแม่ปะตายบัตรผู้พอก็เลยแต่งงานให้ลูกลูกตั้งเก่าก้นนะั่นแหละแต่หาลูกสะใภ้ให้ละคนละคนละคนบัตรให้ลูกชายโ อ, อ, อ้ยพอพวกผมมีครอบครัวแล้วพออย่างนี่เราพอมีเงินหลายไปนในละพ่อพ่อโอ้ยมีเงินอยู่โกดหนึ่งแล้วลูกเลยคำว่าโกดหนึ่งก็กคือ หมื่นแสนล้านโกดคนไปสิบล้านเป็นโกดหนึงคนละเออท่านกับพวกผมขอให้พ่อแบงให้ผมคนละล้านนะดีบอกพ่อไว้ได้พ่อหามากอหามาเพื่อลูกนัินเอา้าก็เลยให้คนละล้านล้านล้านล้านต่อมาไปทํางานทํามากค้าขายมันเงินขาดเมื่อวันโอ้ยพอ่อขออีกเท่านล้านนะ่ะนะขอคนละแสนพอเออเอาเอาไปคนละแสนละแสนละแสนเก้าแสนยังเหลืออยู่อีกแสนนึงเหมือ ต่อมาอีกขอจะพลอยพอขออีกสักแสนนะ่ะะขอค น, อ น, อน ล, ละเมืินเอ้าเมินเมินเมินบาตแล้วยังรลบเมิอนอีกบัตรไอยีกบานเลยโอ้ยพอยขอคนละพันเออเอาพันกพนนะ็พันพันพันพันพันก็เแล้ยังเหลืออยู่เงินพันเดียวก็พอบไปต่อมาพ อ, อไปใส่ไปเสียมากก็เมินเงินพันหนึ่งเม็นบัตรบาทฮแล้วกับบาทอยู่กับลูกชายคนใหญ่เฉยบัตชายคนหวัวปีลูกชายเก่าคนเนียอากับลูกชาย ค, าคนหัวปีพออยุไปไปไป ลูกสับไพ่แบบบอกให้พอปูจะได้ฝาดไงเออเอยปูเฮ้าเนี่ยโบ้จักไปใส่มาทามอนระโตกันแบ้งท่อกันเอี่ว่าได้เห็นผู้นั้นเกินผู้นี้เกินครำมเมนไทเฮ้าเกินก็นยังไข่ยุกอันนี้แบ้งกันแบ้งท้อกันมาทามาอยู่กัดมาอยู่แต่บ้านเฮ้าพอเห็นบานผู้อื่นเนาะใช่ไหมบอกให้ลูกเห็นยังพูด่ากับโมโหขึ้นมาว่าัด็กแสดงว่าเขาไล่กูแล้วนี่ว่าันนี้ รถเอาเลยต่อมาเ้าดูเขาดูเขาไปนลยเออคือกันจะเผาเอาไฟสมหูหมอกขางหน่อยหนึ่นไฟแลบเพราะี๋มันกระหอนประเดี๋ยไดห้หูหมอกขางมันหมนละเผาดูเขาดูเขาหูหมอกขางกระหอนคือกันเี่หว่าเนี้ยผู้เผาะเขาบอกาะให้โยกูโยกเลยกูไปโยนําบักที่สองเลยก็ไปอยนําบักแปดหน่อยหนึงเออบักแปดบักแปดเนี่ยบักแปดเปว่าให้เอ็กนอหน่อยหนึ่เออหย มันไปยังสี่งไปโยนบักเจ็ดคนไปไล่จงไปจนหอดเป็นหอดบักนึ่งคนไปไปหอดเมียบักนึงบักนึ่งก้บบาให้อีกคนไปลูกสะภ้ น, นะะไหวก็เป็นอย่งที่กูไปโยนหัวสูแล้วสันกูจะไปหาขอท่านกินตีกวาไปเป็นแบบนี้วันผู้ถาวก็เลยตัดสินใจแล้วคนไปได้ยามขาดไปเนื้อกัได้เสือพากัยัยดยัดเขาได้ยามเลยแล้วก็ได้ไม่เท่าอันนึงวเาไม่เท่าเ แล้วก็มีหมอโล่หูขาดนวยในเงนินหไปไปหอดไปหนึ่งเมื่ออินเดียขอท่านกินหลายได้เมืนกันไปใสก็ขอท่านกินมดมันบมเป็นธรรมดานเมื่ออินเดียาบาได้ผู้ทอขอท่านกินแล้วไ ป, ไปหอดปหนึ่โอ้ยขอท่านกินในทอนเขาก็ฮาวายกินไปเลยโยไปเลยนอนไปเลยกินรับสิน้อนหมองไหสิอาบหนา้าอ า, าบเท้าอะไรไม่ต้องวอดลงไปเป็นคนขอท่าน่ได้บาดนี้เงินได้เงินซีบโกดบาทาแล้วก็ไปไปไ ป, ไป ไปเห็นประตูเขาอยังประตูวัดปานะคําคน้อยเข้าในแล้วนะไปประตูวัดพาเช ต, ตวันอสัมมาะโคดมพุทธเจ้านะเพิ่นเป็นเชื่อกษัตริย์ขันห้าเข้าไปเนะ่เพิ่ น, น, นก็ยจิต้อนรับเข้าบอเอาเถอะพระพุทธเจ้าเพิ่นผู้มีเมตตาอยู่แล้วอย่างนี้กิตติทรัพย์เพิ่นเนะนี่ะยังไงก็เขาไปหาเพิ่นทุกคนพบพ บ, พ บ, พ บ, พบเป็นอยังดอกเขาไปชมวัดเพิ่นผ้ามบนี่ก็เลยเข้าไป่ะเขามากนะพ่อเขามากพระ พ, พุทธเจ้าเป็นเห็นอุปนิสัยของพ้ามเนะี คนก็เอื่นภามมันเนี่ยมาในนอสันเนี่ยแต่ภาพมันมาไมนี้ภามขอท่านนมานี้คนเอื่นเนีลูกซิดไปบอกคนภามก็เลยเข่าม้าเข่ามาก็นั่งพรอพูดได้เจ้าก็เลยถามว่าเป็นไหนภามพยู ก, กินยังไงเด้าเหนียวใช่ไหมโอ้ยขาพระองค์ขอท่านกินพระเจ้าขาเป็นอย่งหลักตะก้อนขาพระองค์ก็มีอันจะกินยู่มีเงินตะซีปลานโกดนึงว่าสันในลูกมาเกาขน้นก็เลยแบงให้ลูกเอาไปมา ผู้นั่นบอกนีผู้นี่บอกหันขาพระองค์ก็เลยห่อหูอะไร่ได้นีจักเอามามาหาขอท่านกินเนี่ยจังใจแล้วไปเจ้าขาพราพระพุทธเจ้ากว่าเออผ้ามเดี๋ยวห่อสิ ส, สหาย่าถาเออสีเฮียนบอกเออสุนทรพจน์ฆ่าถาสุนทรรพน์ไทยสีเฮียนบอก้า ม, มาอวยกันพระพุทธเจ้าให้ยั้งขาพระองค์ก็สิเอาเมดขูแนวแล้วต่าเออขันพระองค์พระพุทธเจ้าให้ยั้งต่า การหาเฮี้ยนจบเลยสิกาวบอกกับเขาว่าล่ะสิกาวบอกกับลูกกับลูกจะไปลูกไส้บอกกับพี่น้องว่าล่ะโอ้ยพระพุทธองค์บอกให้ขาพระองค์ออกยังข้าพระองค์งกระสีบส เ, เพ บ, พ บ, พบพามดเสียแน่เนี่ยผมบอกพุกพามเนียล่งใจเลยล่งใจเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไปเอ อ, เอตั้งใจเฮี้ยนพระพุทธเจ้าก็าเรยสอนใหน้สอนกาศุนย์ท่อนลพดให้จําได้บ่ได้ครับไปขั้นได้ละไปหอดชุ่มชน ข่มของภาพเน네ี่ยเอิญลูกมากนะเอิญลูกมากเอินสะพายมากเอิญหลานมากเอินพี่น้องม า, ากเช็นแล้วก็บอกว่าเออผู้ข่ายสีซังสีล่าแล้วเรือบัตินี้เนาะก่อนไปเข้าก่อนวัดในซังในล่าลูกหลานทุกขู่ทุกคนบัญญัติผู้ข่ายสีล่าละผู้ข่าจะมาซังมาล่าล้ปวดได้เกี่ยวกับมาเนาะม า, ม า, มาฟังเนาะเดีย๋ยวผู้ขา่ายสีซังล่าภาพก็ไปประกาศพ่อประกาศลูกหลานญาตพี่น้อง ลูกจะพยลูกใช่จะลังมาแล้ ว, วันอ่อมส า, ปาวปล่าก็ยังพวกเข้ามานั่งฟังเทศน์ทีละ ว, วันไปเออพวกบางคนโอ้พ่ามไปเลยตั้งหลายเดือนหลายปีนะบมาหน้านหลายลทีสร้างล่ายอย่างนอ้อเพราะเป็นพายเนี่ฝังฝังเงื่อนไว้อยู่ในดินบ่ที่มากบอกให้ลูกไปขุดเอาเงินงนเน่นจะมังหัวเด้อเออจะฝังท่องไว้ในดินกะ็ะโบหัวเลยเอา ไ, ไปเข้าไปฟังไปก็ยังสร้างเป็นคิดจาลักษณะแตนิวาสันเข้ามานั่งฟังทีละ ภาพก็ยืนเน่ยนยืนอยู่กลางฟอดลงไปเอาฟังเขาจะเดียวภาพว่ า, มมาพ้อนอล้วก็ฟังเงียบภาพก็เลยกาวข้าถาขึ้นมาเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุนไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ากายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถาน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 จะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพ่านสัตว์ ร, ร้ายจะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอ้อพ่อลูกทั้งหลายเนี่ยงินอ๋เออพวกผู้คาได้ปลอยปะละเลย่ยพออิลีกันต้อนนีต่อไปพวกคา้าจะตละเลิกเกื้อบุญคุ้นของพอผู้ค้าจะเป็นผู้ดูแลพ อ, อแม่นอิลีก็แสดง อภาพบอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ใหม่แท่นมือพ่อใดเหมือนใจใหม่คือพ่อแม่เลี้ยงลูกมากเนี่ยเลี้ยงมากเพื่อหยัง่งเลี้ยงมากเมื่อเฮ้าเ่าแกจะล่าแล้วเฮ้าก็จะได้พึ่งผ้าอาศัยลูกของเฮ้าดูแลยามเถาย่ำแกแมนบอ อ, อบาหานเลี้ยงขึ้นมากเลวลูกปล่อยประลาเลยบริสุทธใจพ่อก็เลยบอกว่าสู้ไม่เท่าของพ่อเหนือใอด ไม่เท่าของพอเนี่ยปืนเดินไปใส่สิหกโลไม่เท่ายังขำยันได้ขั้นหมาจะมากกากันย่งยกไม่เท่าเพียงไปปัดบัดเพียงไปหมาก็นย่งกลัวขั้นง้อควายสิมาถึงกันยกไม่เท่าขึ้นมาเออไ ล, งไ ล, ไล่ง้อไล่ควายง้อควายกันย่งกลัวโลกของขานตั้งเก้าคนเลี่ยงมาด้วยความยากลาบากสูไม่เท่าขาบอา่อใดนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพันสวร สุนทรวพ์แห่แก่ภามพฝันพวกเข้าฟังไว้เนะอาขันธูดายมีพอมีแม่ก็ให้ดูแลพ่อแม่ของเจ้าของพ่อแม่เป็นปุกพาจารย์เป็นอาจารย์ของเป็นปุณณอาจารย์ของพุท ธ, ธิดาเป็นคนแรกน ะ, ะเกิดมาเนะพลินเปียบเพียก ว, ว่าพ่อแม่นี่ยเป็นทิศตะวันออกอเป็นทิศตะวันออกเมื่อพ่อเขาตื่นขึ้นมาเขาไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาโอ๋นี่มันเป็นมือไหมแล้วอันนี้คือกันขันท้าตื่นขึ้นมา เขาเริ่มตาขึ้นมาเข้าไปเห็นหนาพอนะ่อหนาแม่เขาก่อนพ่อแม่เข้าเนี่ยเป็นผู้สอนก่อนโมเด้เนี่ยจะไปเห็ดจังสันเนดะ้อลูกเนะื้อบักดาและอีนางเนื้นะ อ, อป้อนเขาจังสีทายจังสีอาบหนามจังสีนุ่งอมจังสีนอนจังสีพ่อแม่เป็นผู้สอนก่อนโมฮะพ่อแม่เป็นบุพกาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดานะ พ, ด น, พานัยอแนะม่เป็นพกรอาจารย์นอาจารยนรขอติดาพนกเ่อแม่เป็นบุพาริอาจยเอาจารย์คนแรกของบุา ย, ยังยังให้ฟังเพื่อเป็นคติตัวอย่างเพื่อเป็นแนวความคิดให้แกปลุกเข้าทันทั้งหลายคันว่าผู้ใดเฮ็ดบอดีกระพอกระแม่ไวผู้นั้นกิได้ดรับผลกรรมเลยผลกรรมคันวาเข้าเฮ็ดปอดีกระพอกระแม่ไวกรรมมันมากจังใดพระท่านลูกของเข้าแล้วพระท่าลูกของเข้าจำหลวงพ่อเคยเห็นในบ้านของหลวงพ่อลูกชายพ่อซึ่งถึงจริงเห ล, ง, ลงเนีนน่นะไป ดึกซายผูเดียอยู่ตัางหาพ่อแม่กระหักพ่อก็ะหักพ่อแม่ตายหวันผู้พ่อคนกี่โมโหเนี่ยกระวายลูกไปบ้านลูกเตะพ่อน่ออตีพ่อเตะพ่อะวันต่อมากกับผู้เทาก็ตายแล้วาวันมาฮาเจ้าของในลูกมากกว่นี้ลูกมากกัเตะพ่ออีกขึ้นเราน่ะไปนี่แหละมันบไปใส่ได้กำล้อกงเกลียนมันไปพอนั้นพวกเข้าจะไปเหตุงเหตุกับพากรแม่ไหวจังไหนเนี่ยกโมนีนาวัตตีโลโก เออพวกใดท่านกันบบดีสริงใดเอาไว้พูดกรรมมันจะตามสนองมาหาเจ้าของแท้ๆลงไปพระนันขอให้พวกเขาา้าท่านแต่กรรมดีเนะอะนักทญาติโยามลูกหลานการกาวสำ ม, ม, ม่อทนิยกถรมฐานมันนี่นะเอ่อกาวเป็นภาษาบ้านเฮ้าเพื่อฟังง่ายๆเพื่อเป็นคติตัวอย่างให้แก่พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาการกาวมืัอนี่เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณภาษีรัตนาตรัยพระพุทธเจ้าประทรมพระสง์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากนลโลกคุ้มครองขอให้พวกข้าระสบิญแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของสินธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน